เทศสอนคารวะต่สอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือการหลิกใจหรือคู่ปฏิบัติในขั้นในไดได้ทั้งนั้ น, นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นให ม, มีความประมากอุบายวิธีที่จะ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 แล้วเป็นไปโดยลําดับกิเลสประเภทหยาบก็ต้องใช้ามาัชชิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามัชชิมาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุจลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตนนินั้นๆท่านเรียกว่ามัชชิมา ส, สํญญาหรับกิเลสขั้นนั้นะอถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดรานั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด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 ถ้ามันเบาบางลงไปบ้างเราจะทําด้วยวิธีใดความเพียรหรือนั่งจัีงห้านาทีสินาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้วคําว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของทิเลตมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ตรากฏเมื่อเป็นชนี้มีซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของทิเลตให้อุบายแค่เขาเองนั้นแหละเขาจะเอาอะไรให้เราถ้ามิตรอ่างนี้เขาก็จะยื่นทางทางปลายให้เราเขาก็จะจับเอาทางด้ามมาไว้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 อุบายของธรรมเพื่อจะบำบัดป่าปลามมันให้หายสซ่างไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสทีด่ดังที่กล่าวมานี้มาทำความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมื้สุดตัวเพราะอะไรก็เวลานั่งทำเพียรเราก็คอยนับเอาเวล่ำเวลาเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเทา่านี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเราแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือมันพอ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 แล้วสาเหตุที่มันจะไปโลคไปโรคเพราะเหตุใดค้นย้อนหลังกลับมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนการเราไ ม, ไม่ไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันใดที่จะรุนแรไม่มีอนใดที่จะเกิดความเดือดให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปเราทําลายเราก่อนแล้วถึงไปทําลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่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 กำลังรู้สติปัญญาของตนเท่าทิ่ทิเดชประเภทนั้นๆจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถอดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้ที่เดชได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้วยอุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้น ต่างกันแต่ศัพว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสุขาธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสุขธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นทิเลก็ต้องหุดลอยไปด้วยหน้าแ ท, ทนทมนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของิเล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 เพราะเราอยากรู้อยากเข้าใจความจริงทั้งหลาย ด, ดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความจริงสําหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ย <banking injustice> <Liu Mighty>. ินพิทักษ์กิตตคุณของท่านมาประเสริฐท่านหุดพ้นเป็นอย่างนั้นท่านประเสริฐเป็นอย่างนี้เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในขันธิตใจของเราเองเมื่อเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วเห็นสัจธรรมทุกสมุทัยนี้เป็นฝ่ายต่ํำนิโรธคือ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 แต่ผูทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกก็หลายพอใค้ใครก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทั้งนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการพิงขอยิติธรรมเทศนาเพียงตรงนี้อันนี้ไม่เี็นหนักอะไรนะ